ท่านพระเถระวัดเลียบ 2402 ถึง 2484 วิปัสสนานี้ยิ่งกว่าทานศีลพรมวิหารภาวนาย่อมทําให้ เป็นไปในเบื้องหน้าหากยังไม่บรรลุผลในถ้าอุปนิสัยมักผลมีหน้าหากยัง ยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่จะ 5 10 ต่างๆๆการก็ได้ด้วยยาก จึงจะมีพระพุทธเจ้า <cin> การกันละบาปและเปล่า จะมากมายหลุมที่ร้อน เขาพูดว่าเราดีเราก็ไม่ดีเหมือนคําเขาพูดดี กับชั่วมันมีอยู่ในโลกนี้นี้ พิจารณาอสุภกรรมฐานจนคล่องตัวกายดินน้ำลมไฟ แล้วก็พยายามดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้น สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเราฝนอบรมให้จิตก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนจนคล่องตัวจิตก็ จะว่ามีดินน้ําลมไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แต่อาศัยความประชุมพร้อมของท่าสี่ดินน้ำลมไฟมีปฏิสนธิจิตปฏิสนธิมายึดครองอยู่ในร่างอันนี้ปฏิสนธิสัตว์บุคคลตัวตนเรา เขาทําเพราะฉะนั้นจิตของจึงเป็นแนวทางให้จิตดําเนินก้าว